ท่านพระเทรานุเถระทุกครูและขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาสที่กํากับดูแลการจัดงานลอยกระทงของวัดร่วมกับ ส่วนงานภาครัฐและเอกชนจำนวนมากซึ่งมีรายชื่อองค์กรที่เป็นพันธมิตรร่วมกันจำนวนมากก็ขอเป็นตัวแทนองค์กรเหล่านั้นมาปฏิสันฐาน ท่านทั้งหลายก่อนที่เราจะทำพิธีลอยกระทงอย่างเป็นทางการในวันนี้ซึ่งเป็นวันลอยกระทงโดยองค์กรที่ร่วมกันจัดงานก็เป็นไปตามสามคำคือคำว่าบวรประกอบด้วยบ้าน วัดราชการงานนี้สำเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีภาคธุรกิจเอกชนโดยเฉพาะบริษัทไทยเแบบเร็ จ, จำกัดและองค์กรเอกชนที่รวมกันเป็นล i v e r ร e s t i เฟสติวัล สายน้ำแห่งวัฒนธรรมปีที่สี่ชักชวนองค์กรต่างๆวัดต่างๆมาเป็นพันธมิตรก็จึงประกอบไปด้วยบ้านคือเอกชนชุมชนชุมชนรอบๆวัดถ้าไม่มาขายของในวัดปรปยุโรวงศาวาา น, นำเอาของที่เป็นเอกลักษณ์ มีค่าทำด้วยจิตด้วยใจไม่ใช่เพราะหวังกำไรเฉพาะหน้าเพราะเขาอยู่ที่นี่เขาทำด้วยหัวใจตั้งแต่เราเริ่มจัดงานปีหนึ่งก็มาพบกันไม่กี่ครั้งเพราะฉะนั้นจึงมีการประกันคุณภาพและวัดก็อุปถัมภ์ ไม่คิดราคาค่ามาตั้งร้านขายของในวัดแต่อย่างใดสี่ขึ้นเนี่ยฟรีเลยใครไข้ค้า้าแต่ให้มีสินค้าที่มีคุณภาพเพราะเราอยู่ร่วมกันหวังให้ชุมชนรอบๆหกชุมชนซึ่งเป็นคลือหัดเป็นชาวบ้านญาติโยม ชุมชนวัดประยูนชุมชนบุผารามวัดบุภารามชุมชนวัดกละยาชุมชนโรงคลามสี่ชุมชนนี้เป็นชุมชนชาวพุทธและก็ชุมชนโบสถ์สังตักครุสเป็นคริสชุมชนมัสยิดบางหลวงหรือโกดีขาว เป็นมุสลิมหรือชาวอิสลามเมื่อตอนบ่ายนี้พระเถระผู้ใหญ่กรรมการมหาเถระสมาคมมาเยี่ยมวัดท่านก็บอกแปลกใจเห็นมีผู้ขายคลุมหน้าคลุมศีรษะไม่ใช่คลุมหน้าเป็นมุสลิมมาขายในวัดและก็มีความสุข วัดต้อนรับด้านหน้าเขาหมอด้านนอกมี่เป็นอาหารมุสลิมทั้งหมดในวัดก็มีมากันอย่างสบายใจขนมฝรั่งกุดีจีนก็มีรวม 3. สามศาสนาสี่ความเชื่ออยู่ที่นี่บ้านวัดสสนาสถานราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวานนี้ท่านประหลัดกรุงเทพมหาคนครมานั่งอยู่ตรงนี้ขึ้นมาบนเวทีนี้มากล่าวเปิดงานร่วมกับโรงเรียนส่วราชการทั้งหลายส่วนมากจัดกิจกรรมอยู่ในเขาหมอกจึงเป็นโอกาสวันลอยกระทงกลายเป็นโอกาสที่ไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธเท่านั้นแต่เพื่อนต่างศาสนารอบๆด้วยกันเนี่ย มาพบปะมาร่วมงานกันทำให้มีบรรยากาศแห่งความความสุขพาลูกพาหลานพาเด็กมาและก็ไม่ได้มากันเฉพาะในประเทศจากต่างประเทศก็มาร่วมกิจกรรมคณะแมช่ชีทองสุขน้ำเจ็ดสีจากฮ่องกองก็มาดูงานมาร่วมกิจกรรม มาดามนีนี่จากประเทศเพื่อนบ้านเมียนมากก็มาอยู่ที่นี่พร้อมคณะเป็นที่น่าชื่นใจในฐานะเจ้าของที่ก็ขอกล่าวต้อนรับทุกท่านและการต้อนรับก็ไม่ได้มีของขวัญอะไรมากมายจะให้นอกจากธรรมปฏิสันถานคือให้ธรรมะเป็นคติข้อคิดเตือนใจ ถ้าเป็นชาวบ้านเขาให้อามิสะปฏิสันถานให้ของขวัญเป็นสิ่งของแต่พระนั้นให้ธรรมะตามคติที่ว่าอันวิสัยคนไทยแต่โบราณใครมาถึงเรือนฌานต้องต้อนรับแต่การต้อนรับของพระต่างจากการต้อนรับของคารวะ เราให้ของขวัญเป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานเราให้ของขวัญเป็นความสุขนั่งอยู่ตรงนี้ก็เห็นภาพที่ประทับใจเป็นความสุขจากที่บวรสามประสานบ้านวัดราชาการช่วยกันทาทำให้เกิดความสุขตามทำให้นึกถึงคติของจีนนะภาษิตจีนเขาบอกว่า อยากมีความสุขหนึ่งวันให้ อ, อยากมีความสุขหนึ่งชั่วโมงให้ทําอะไรคนจีนเขาให้ทําอะไรอยากมีความสุขหนึ่งชั่วโมงให้งีบหลับงีบหลับใครอยู่บ้านนอนไม่หลับมาฟังพระพูดหลับก็มีความสุขหนึ่งชั่วโมงตื่นขึ้นมาเอาจบไปเรียบร้อยแล้วอย่างน้อยก็มีความสุข อยากมีความสุขหนึ่งชั่วโมงให้งีบหลับอยากมีอยากมีความสุขหนึ่งวันคนจีนให้ไปตกปลาอยากมีความสุขหนึ่งเดือนให้แต่งงานตอนเข้าใหม่ปลามันก็คงมีความสุขเขาให้หนึ่งเดือนอยากมีความสุขหนึ่งปี ให้รับมรดกใครทาพินัยกรรมให้หนึ่งปีมีความสุขพอเงินหมดก็หน้าแห้งนะอยากมีความสุขตลอดชีวิตทำอะไรอยากมีความสุขตลอดชีวิตให้ทำประโยชน์แก่คนอื่นช่วยเหลือคนอื่น ซึ่งก็จริงนะตามหลักพระศาสนาอยากมีความสุขโดยไปซื้อขนมซื้อข้าวซื้อของมารลบประทานอิ่มแล้วมันก็หมดสุขะรอจนกว่าครั้งต่อไปจะหิวค่อยทานใหม่แต่ถ้าเราเอาขนมมาแจกเด็กเด็กน้อยนอยนบะมา่านเนี่ยเยอะเลยนะหนูน้อยนบพมา่าน ของไม่มากแต่เห็นเขารับประธานเขามีความสุขเราปลื้มใจดีใจแม่ชีท้องสุขน้ำเจ็ดสีนำคณะฮ่องกงมาทอดกระถินก่อนจะทอดก็มีความสุขเรียกว่าบุพเจตนาคิดเตรียมการเป็นปีมีความสุขอะ ก่อนที่เราจะทำความดีเราคิดเตรียมการล่วงหน้าเรามีความสุขเตรียมงานลอยกระทงนี่ช่วยกันแบกช่วยกันหามช่วยกันจับช่วยกันทำท่านมีความสุขพองานมันเข้ารูปเข้ารอยจนมาถึงเมื่อวานและวันนี้และพรุ่งนี้มารืนต่อไปอีกสองวันมีความสุขในขณะที่ให้ให้ประโยชน์ช่วยเหลือคนอื่น ให้เขาได้ทำกิจกรรมอันงดงามมาเป็นนักแสดงบนเวทีมีเตรียมการมาแต่งตัวมาวันนี้จะได้มาแสดงงานวัดเป็นบุญเป็นกุศลมีความสุขละขึ้นมาบนเวทีมีคนให้กำลังใจมีคนดูได้แสดงบางทีก็ให้รางวัลมีความสุขกลับไปบ้านภาคภูมิใจ ได้มาแสดงเป็นการกุศลความสุขมันเป็นอปรเจตนาหลังจากที่ทำไปแล้วมันยังอยู่ในใจนำมาพูดนำมาคุยจาไม่ลืมและถ้าทำอะไรแล้วมีความสุขสังเกตได้อยากทำอีกถ้าหากว่าเราขึ้นมาแสดงที่นี่มีความสุข ปีหน้าชวนมาแสดงมาไหมมาถ้ามา้อยกระทงวัดประยุนมีความสุขมาอีกไหมมาแห่พระธาตุมีความสุ ข, สขปีหน้ามาอีกหมมาแต่ถ้าทุกบอกร้อนเลือกเกินเดินก็ร้อนเนี่ไม่มาวัดกันที่ว่า ทำอะไรแล้วมีความสุขมันจะทำซ้ำ repetition ซ้ำตรงนั้นถ้าเป็นนักเทศน์นักพูดเคล่นมาให้ทำรรมาานคนที่พูดมีความสุขบางทีมันก็พูดแล้วไม่ลงนะพระเทศงานศพเมื่อไรจะเอวังทักทีโยมคนฟังร้องให้ ร้องไห้เศร้าใจใช่ไหมนึกถึงคนตายเปล่าๆหรอกท่านคนหนีกลับกันกลัวจะไม่มีใครเหลือเผากลายเป็นคนเทศมีความสุขไปฝ่ายเดียวอะไรที่ทำให้เรามีความสุขเพราะเราคิดถึงมันเราโหยหาสิ่งนั้นเราอยากพบคนนั้นอยากทำเรื่องนั้นอยากไปที่นั้นและเราก็มีความสุข เรานึกถึงเรื่องใดที่ใดมีความสุขเราก็อยากทำซ้ำดังที่เรามาจัดงานลอยกระทงกันในรอบสิบปีที่ผ่านมานี่ทำกันมาตลอดพระเนรวัตรประยูน์นี่ไม่เคยหยุดในการทำกิจกรรมทำประทีปเทียนหอม ให้ญาติโยมได้ร้อยแต่ก่อนนี่มีกิจกรรมมากมายพูดคอแหบคอแห้งนะปิดไม่ถึงอย่าหยุดเพราะท่านมีความสุขทีนี้พอเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเรามาร่วมกันสร้างกิจกรรมตรงนี้ในลานวัดด้วยการเตรียมการในเขามอที่ไหนตรงไหนทั้งหมด คนเตรียมการเนี่ยไม่ได้บางทีไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรไม่ได้ร่วมเศรษสุขแบกโต๊ะแบกเก้าอี้ให้คนอื่นได้นั่งแต่ก็ดีใจสุขใจที่ได้ทําเราเรียกว่าจิตอาสาในวัดนี้ที่ทํางานและจนกระทั่งออกไปนอกวัดนวลริมแม่น้ำนั่นทํางานจิตอาสาช่วยเหลือให้คนอื่นมีความสุข แต่ตรงนีแต่ตรงองมีความสุขมากกว่าที่คนจีนเขาบอกว่าสุขตลอดชีวิตไม่จำเป็นจะต้องสวยสุขเองบริโภคเองแต่ช่วยให้คนอื่นมีความสุขเรามีความสุขมากกว่าซึ่งเราปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาของพระเจ้าแผ่นดินราชการที่เกา ที่ท่านฝากไว้สี่ข้อวัดไปยูนยก็ทำสี่ข้อตอนนี้ในงานรอยกระทงนี้ก็คืออะไรไม่ใช่ทำคนเดียวชักชวนให้บ้านวัดราชการมาทำสี่ข้อร่วมกันหนึ่งที่ขาดช่วยเติมให้เต็มสองที่เต็มให้รู้จักพอ สาที่พอให้รู้จักแบ่งสี่ที่แบ่งก็ต้องให้เป็นธรรมข้อแรกที่ขาดต้องเติมให้เต็มแล้วอยู่ร่วมกันคนที่มีก็เยอะคนที่ขาดก็ามากช่วยเหลือเจือจา์กันเอาลานวัดเนี่ยเป็นที่ค้าขายสินค้าสำหรับคนที่ยังขาด ให้เขาได้มีรายได้วัดก็ไม่ต้องไปคิดค่าเช่าเราก็มาสนับสนุนซื้อของเมื่อวัดไม่คิดค่าเช่าผู้ขายก็ไม่ต้องขายแพงเหมือนไปขายตํำห้างเพราะค่าเช่าในห้างมันแพงยิ่งห้างหรูหรามันก็ยิ่งแพงแต่ถ้าขายในตลาดที่ค่าเช่าไม่แพง มันขายไม่ได้เพราะไม่มีคนมาซื้อแต่ในวัดนี่ขายได้เพราะคนมามาเพราะอะไรล่ะเพราะผูท้ที่มีเขารู้จักพอเขาเอาเรือขนส่งพวกเราฟรีวนอยู่อย่างเงี้ยเขาประชาสัมพันธ์ให้รู้เพราะคนรู้จักพอตอบแทนคืนกําไรแก่สังคม บริษัทห้างร้านต่างๆก็มาช่วยกันขาดช่วยเติมให้เต็มเต็มแล้วก็ต้องรู้จักพออย่าโลภมากพอแล้วก็ให้รู้จักแบ่งแบ่งปันโดยจิตอาสามีเงินแบ่งเป็นเงินมีแรงให้แรงช่วยเหลือกันช่วยกันแบกช่อยกันหามช่วยกันจับช่วยกันทำ แล้วแต่ว่าจะแบ่งด้วยอะไรแล้วแบ่งก็ต้องให้เป็นธรรมขาดช่วยเติมให้เต็มเต็มให้รู้จักพอพอให้รู้จักแบ่งแบ่งก็ให้เป็นธรรมอย่าไปเลือกที่รักมักที่ชังเอาแต่กลุ่มเอาแต่พวกเอาแต่ญาติของตัวเองมารับผลประโยชน์ในการแบ่ง อย่าเอาแต่ศาสนาตัวเองเราคนไทยด้วยกันมีเป็นพี่น้องกันให้ทุกฝ่ายได้โอกาสได้มีสิทธิ์มีส่วนอย่างเป็นธรรมมันก็จะเกิดความสมัครสมนสามัคม ค, มคีมีความสุขมิฉะนั้นเราก็คุณนข้องมองใจ ไม่มีความสุขในการที่จะมาร่วมงานมาทำกิจกรรมถ้าทุกคนมาเพื่อคิดที่จะให้ทุกคนจะได้และก็จะได้รับความสุขมารอยกระทงเราก็ได้รับความสุขเพราะการรอยกระทงเรามีความสุขที่เราอธิษฐาน จบอธิษฐานในตอนที่จะ้อยเนี่ยหวังอะไรเพื่ออะไรมันเปิดกว้างเหมือนกับแบลคเช็คอะคนเขาให้เช็คเรามาเติมเลขอยากเบิกกี่หมื่นกี่แสนก็เอาเขาไม่ได้บังคับว่าท่านจะต้องอธิษฐานอะไร ว่าท่านจะขออะไรใครอยากได้อะไรใครอยากขออะไรให้ทาไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็มาร่วมกิจกรรมได้แม้จะอยู่ในวัดเพราะอะไรเพราะลอยกระทงเป็นกิจกรรมที่เริ่มโดยชาวบ้านไม่ได้เริ่มโดย วัดเริ่มจากบอใบไม้และไม่ได้เริ่มจากวังมันเป็นวิถีชีวิตเป็นประเพณีของชาวบ้านที่ที่ทำมาแต่โบ ร, โบราณเพียงแต่ว่าเรามักจะเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องของหวัง ถ้าเป็นเรื่องของหวัน้อยกระทงต้องเป็นพระราชพิธีให้จำไว้อย่างวันวิสาขาบูชาเป็นราชพิธีพระเจ้าแผ่นดินเสด็จวัดพระแก้ว ประกอบพิธีเป็นเรื่องเป็นราวเป็นพิธีหลวงถามว่าวันนี้มีไหมไม่มีราชาพิธีอยู่มาเป็นหลายร้อยปีน่ะเพราะชาวบ้านออกมาทำกิจกรรมรัชากาลที่ห้าพระราชนิพนธ์ พระราชบิหนังสือเรื่องพระราชาพิธีสิบสองเดือนทรงระบุว่าลอยกระทงไม่ใช่พระราชาพิธีแต่คนไปเข้าใจว่าพระราชาพิธีเพราะไปผสมกับคำว่าพระราชาพิธีจองเปรียงมันคนละพิธีกัน เดี๋ยวนี้เราไปเรียกจองเปรียงลอยกระทงรวมกันหมดแต่ที่จริงจองเปรียงเป็นพระราชพิธีจองเปรียงอยู่ในเดือนสิบสองเหมือนกันส่วนลอยกระทงเป็นพิธีของชาวบ้านเป็นที่วิถีชีวิตซึ่งทำในเดือนสิบสองคนก็เอามารวมกันเป็นลอยกระทงจองเปรียง คำว่าจองเปรียงเป็นราชชพิธีมีมาแต่โบราณในสมัยรัชกาลที่ห้าในพระราชพิธีสิบสองเดือนหนังสือที่ส่งพระราชนิพนธ์อธิบายไว้ชัดอธิบายไว้ว่าจองเปรียงเนี่ยมันมีคำว่าเปรียงอยู่หมายถึงน้ำมัน น้ำมันที่มาจากไขข้อของวัววัวคือสัตว์ของเทพเจ้าในศาสนาฮินดูศาสนาพรามเอาน้ำมันจากไขข้อสัตว์อื่นมาใช้ในพิธีนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์พรามเขาถือว่าวัวเป็นพาหนะของพระผู้เป็นเจ้าเคยไปอินเดียวัวเดินเต็มตลาดหมด ไทยไปตีวัวไม่ได้นะชาวบ้านเขาเล่นงานเลยไปตีวัวต้องไหว้ขอโทษนะเพราะเป็นภาหนะของพระผู้เป็นเจ้าคนไทยไปก็ไม่รู้เรื่องไปซื้อเนื้อวัวมาเนื้อวัวนี่ขายในตลาด คนอื่นคนศาสนาอื่นไม่บอกว่าศาสนาไหนคนศาสนาพราไม่ขายเนื้อวัวนักศึกษาไทยคารวาเนี่ยไปอยู่หอพักไปซื้อเนื้อวัวมาในตลาดของคนศาสนาอื่นในอินเดียเนี่ยแล้วก็มาขอใบกระเพรา จากเพื่อนนักศึกษาในในหอพักอะ่ะใบกะเพรานี่เป็นใบไม้บูชาพระเจ้าเขาเรียกตุลสีไปเอาใบากะเพรามาเพื่อนนักศึกษาก็ถามว่าคุณจะเอาใบากะเพราไปทำอะไรนักศึกษาไทยบอกไปบูชาพร ะ, พระเจ้าวัวเป็นพาหนะพระเจ้า เอาใบกระเพราไปผสมก็คือผัดกับเพรา น, น่คนไทยบูชาพระเจ้ากันแบบนี้ในอินเดียห้ามคนแขกรู้นะเขาโกรธนะเมื่อวัวตายแกตายเอาไขข้อมาทำน้ำมันน้ำมันสำหรับเจิมนะ ส, ส่วนไขมันก็ทำเป็นตะเกียงอะ่ะ แล้วตั้งเสาขึ้นสูงๆทำโคมใช้น้ำมันนี่เจมิมเจิมเสาในสมัยโบราณนั้นตั้งเสาขึ้นในเดือนสิบสองแล้วก็ชักโคมสิบประมาณครึ่งเดือนเป็นราชพิธีพระเจ้าแผ่นดินเสด็จ แต่พรามประกอบพิธีเรียกว่าจองเปลี่ยงชักโคมขึ้นคือทำโคมเหมือนแต่เหมือนกับโคมที่เราเห็นเนี่ยแล้วในหลวงชักขึ้นพรามก็ทำพิธีถามว่าทำทำไมตอบว่าเพื่อบูชาพระพรหมพระวิษณุหรือพระนาลายแลกะกพระศิวะตรีมูลติ บูชาพระเจ้าสามพระองค์ในศาสนามาถลามพระเจ้าแผ่นินเป็นผู้ทำเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่อายุทยาสุขโขทัยอายุทยาน่าจะอายุทยามากกว่าแล้วก็มารัตตนโกสิทธิ์พอมาถึงราชการที่4ซทรงเห็นว่ามันเป็นพิธีพราม และบูชาพระผู้เป็นเจ้าของพราณ์มทรงเปลี่ยนใหม่ให้มีพระราชพิธีจองเปลี่ยงชักโคมแต่นี้มนพระมาสวดชยันโตเป็นพิธีพราล์มก็แล้วแต่ต้องเอาพุทธเข้าไปมีการสวดมนต์และก็ถวายพระตาหารตอนเช้า สวดมนต์เย็นถวายพระตาหารตอนเช้าในคืนที่ชักโคมเนี่ยสวดมนต์แล้วอธิบายใหม่ว่าไม่ใช่ชักโคมขึ้นฟ้าเพื่อบูชาพระพรหมพระวิษณุพระศิวะตรีมูรติไม่เอารัชาการที่สี่บอกว่าให้บูชาพระตนตไตร พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนก็ถามว่าแล้วทำไมต้องไปอยู่บนฟ้าล่ะอ้าวเน้นพระพุทธกันแล้วกันบูชาพระพุทธพระพุทธอยู่ในโบสถ์อ่ะพระพุทธรูปแล้วทำไมขึ้นฟ้าแล้จากการที่4ก็บอกบูชาพระ บรมธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่บนสวงสวรรค์คือหนึ่งพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าตอนพระสิท ธ, ธิาออกบวชน่ที่เลมฝังแม่น้ำอโนมาตัดผมพระเมาลีเนี่ยมวยผมตัดแล้วไม่ได้ตกถึงพื้นนะพระอินเอาถาดทองมารองรับ ไปเก็บไว้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเรียกว่าพระเจดีย์จุฬามณีตอนที่พระพุเทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานมีการถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุเทธเจ้าอัฐิของพระพุเทธเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่โดนไฟไหม้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย เพราะความร้อนสูงมากเอาพระบรมศพใส่ไปในหลางเหล็กพันผ้าผ้าเหลืองนี่พันนะเอาน้ํำมันใส่เข้าไปในหลางเหล็กเอาเอาท่อนจันใส่เข้าไปจุดไฟความร้อนไม่รู้กี่องศามันร้อนมากจนพระอัฏฐีนี่ไม่แตกละเอียด เป็นชิ้นเท่ากับเมล็ดงาบ้างเข้าสารหักบ้างสีขาวบ้างสีทองบ้างแต่ที่ไม่แตกเนี่ยมีเจ็ดชิ้นดูออกว่าเป็นอะไรคือชิ้นที่หนึ่งคือหน้าผากักอีกสองชิ้นคือหายปลาะอันเนี้ย ที่ท่านบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเอ้ยในอันธกถาคัมภีร์สามแล้วนะอีกสีชิ้นคือเขี้ยวของพระ เ, เจ้าซ้ายขวาสองข้างบนข้างล่างซ้ายขวาสี่ในสีเขี้ยวเนี่ยโทนพราหมณ์เป็นคนแบ่งแบ่งอัธิธาตใสทนานไปดเมืองด้วยกัน ปรากฏว่าเขี้ยวแก้วอันหนึ่งโทน้ำรามซ่อนเอาไว้จะเอาเองไม่แบ่งใครแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยพญานาคได้ไปอยู่ในภพพญานาคอีกอันหนึ่งพระอินเนะเอาไป แล้วก็สรุปแล้วเนี่ยอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยสองบนสวรรค์นหนึ่งนาคพิภพหนึ่งตอนนี้เนี่ยที่อยู่ในโลกมนุษ ย, นย์เขาเชื่อว่าอยู่ที่วัดพระธาตุเขี้ยวแก้วสีหลังกาแล้วก็มีอีกองหนึ่ง เคยเอามาสแสดงที่ประเทศไทยอยู่ที่วัดหลิงกวงประเทศจีนทรงองค์ที่สามนี่อยู่ในนาคพิภพต้องดำลงไปหาพญา น, นาคถึงจะได้กลับอีกองค์หนึ่งพระอินทร์เอาไปไว้บนเจดีย์จุลามณีคู่กับพระพเส้นผมของพระพุทธเจ้ารัชาการที่สี่บอกว่าชักโคมขึ้นมาเนี่ย มองไปบนท้องฟ้าสิบูชาพระเจดีย์จุฬามณีที่ประดิษฐานพระเจ้าพระ่ายเขี้ยวแก้วและเส้นผมของพระพุทธเจ้านั่นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองที่ต้องชักโค้งสงสงก็เพื่อ บูชาลอยพระบาทของพระพุทธเจ้าลอยพระบาทของพระพุทธเจ้านี้ตามพระคำพีพระพุทธเจ้าตอนไปโปรดพญานาคที่เมืองสุนาปรันต์ะชนบทโดยการนิมนต์ของท่านปุณณนะก่อนกลับก็ไปโปรดพญานาคอาจจะเรียกว่าชนเผ่านาคานะในอินเดียมีนาคาแลนนะินแดงของนาค คือมนุษย์เผ่านาคาหรือจะพญานาคจริงก็ไม่รู้แหละก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จกลับชาวนาคขอให้พระพุทธเจ้าประทับลอยพระบาทที่ริมหาแม่น้ำนำมาถาบนหาดทรายเพื่อเป็นที่กราบที่ไหว้สการะโดยปกติถ้าพระพุทธเจ้าเดินไปที่ใดก็ตามดำเนินไปที่ใด เยื่อไปบนหาซายนี่น้ำมันจะช้ำละล้างหมดแต่ถ้าอธิษฐานจิตลอยพุทธบาทนั้นจะอยู่ชั่วกลับชั่วกันไม่มีอะไรมาลบล้างได้ดังนั้นชาวพุทธทั้งหลายก็รงใจไปที่ลอยพุทธบาทที่ว่านั้นที่หาซายริมฝั่งแม่น้ำนำมาทาลอยกระทงที่ แม่องขาหรือเจ้าพย า, ยาที่ไหนก็ตามส่งใจไปบูชารอยพุทธบาทนั้นราชการที่สี่บอกว่าชักโคมขึ้นมาบูชาบูชาใครหนึ่งพระเจดีย์จุฬามณีสองรอยพุทธบาทที่ชายหาดเิมฝั่งแม่น้ำนำมาทาเปลี่ยน ราชพิธีจองเปลียงเนี่ยให้เป็นพุทธไม่ใช่พราหมณ์เปลี่ยนมากี่ปีแล้วสมัยราชาการที่สี่มาปัจจุบันเนี่ยร้อยหกสิบปีอย่างน้อยคนไทยลอยอชักโคมขึ้นมาโคมลอยนะบูชาพระธาตุพระเจดีย์จุลามณีและไหวลอยพระบาทที่หาด ทายแม่น้ำน้ำมันทาราชพิธีนี้ก็กลายเป็นจองเปรียงนี้ก็กลายเป็นพุทธไม่ใช่พราหมณ์มา160ปีเป็นอย่างน้อยอาแล้วลอยกระทงมาจากไหนล่ะเพราะว่าจองเปรียงนี่ชักโคมคนละแบบกับโคมลอยหรือลอยโคมเหมือนที่ภาคเหนือเขาทำนอะอ่าหนังสือพิมพ์เมื่อเช้า เที่ยวบินร้อยห้าสิบแปดเที่ยวบินในประเทศไทยยกเลิกวันนี้ไม่บินหรือเลื่อนเพื่อลบไอ้ปทีบลอยคมขึ้นไปนะ่ะเพราะถ้าลอยลิ้มสนามบินนะมันเข้าไปเครื่องบินชนดูเข้าไปเครื่องดับนะตกนะสายการบินก็ไม่ไว้ใจหนังสือพิมพ์บางกอกโพสตลงนะ่ะ 1 5อยห้าสิบแดเที่ยวบินอ่านเมื่อเช้านี่ทีนี้ไอ้ที่้อยโคมขึ้นท้องฟ้าเนี่ยเชียงใหม่ทำพม่าทำถามผู้เชี่ยวชาญจากพม่าเนี่ยด็อเตอร์ดอลลี่ว่าคนมีรอยกระทงไหมในพมาน่าเขาบอกไม่มี ลอยกระทงอย่างนี้ไม่มีแต่มีการทำโคมรอยอะนะเหมือนแบบภาคเหนือเราซึ่งได้รับอิทธิพลจากพม่านะเพราะพม่าปกครองอยู่เป็นร้อยปีทำาคมรอยขึ้นไปท้องฟ้าไม่ได้ไปบูชาพระเจดีย์จุฬามณีนะและเออขาบูชาอะไรบูชาพระพุทธเจ้า ตอนเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงดึงวันออกพรรษาเรียกว่าเทโวโรหณะที่เราตักบาตรเทโวโรหณะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพม่าเนี่ยไม่ได้ลอยกระทงวันเพลเดือนสิบสองแต่มีลอยโคมขึ้นวันออกพรรษาบูชาพระเจ้าที่ลงมาจากสวรรค์แต่เราตักบาตรเทโวโรหณะวันเดียวกันนั่นแหละ ฉะนั้นเรื่องร้อยกระทงพม่า ก, ก็ไม่มีมีในประเทศไทยแล้วคนก็มักจะเข้าใจว่าร้อยกระทงเป็นพิธีพราหมณ์มีอยู่ในอินเดียท่านลองไปเปิดออนไลน์ดูสิกดปึ๊บเข้าไปนี่ลอกกันจะ ต, ต่อมาว่าร้อยกระทงเป็นพิธีพราหมณ์าศาสนาฮินดูเขียนไปได้อย่างไร เลิกได้แล้วลบทิ้งไปเถอะพจนานุกรมในอินเทนอร์เน็ตอ่ะบอก้อยกระทงเป็นาศาสนาฮินดูเพราะไปเข้าใจเรื่องจองเปรียงแต่พระราชาพิธีจองเปรียงเนะี่ยเป็นพุทธไปตั้งร้อยหกสิบปีแล้วแล้ว้อยกระทงมาจากไหน ในพระราชพิธี12บสองเดือนรัชะกาลที่ห้าทรงสันนิฐานว่าในพิธีจองเปรียงมีชักโคมแล้วก็ลอยโคมวันสุดท้ายนี่ลอยโคมไม่ได้ลอยขึ้นฟ้านะอาจจะลอยลงน้ำก็เลยเอาจองเปรียงมาผสมกับลอยกระทงแต่ลอยกระทงไม่ได้เกี่ยวกับจองเปรียงเพราะทำกระทงต่างหากในตำลับนางนพมาศอ่ะ เท้าสีจุลานักษ์เป็นการลอยในแม่น้ามาแต่โบราณแล้วไม่ใช่เพิ่งมาทำก็เรียกว่าคู่กันมาจองเปรียงก็เป็นราชพิธีชาวบ้านก็ลอยกระทงแต่ไม่ใช่ราชพิธีถามว่าลอยกระทงไม่ใช่ราชพิธีในหลวงมาร่วมไหมร่วม แต่ไม่อยู่ในกฎบนเทียนบานในตำรับนางนพม่าบางคนบอกว่าแต่งในสมัยรัตนกโกสินทร์ก็ไม่ว่ากันแต่มันมีจดหมายเหตุของชาวฝรั่งเศสที่อยู่ในประเทศไทยเป็นคณะมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสที่มาตั้งสำนักสอนศาสนาตอนนั้นยังไม่เป็นโบสถ์ เรียกว่าสามเณรารายหรือบ้านเนนอยู่ที่อยุธยาสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยพระราชทานที่ดินให้เพื่อให้คณะมิสซังจากฝรั่งเศสเนี่ยสอนศาสนาเขาก็บันทึกเอาไว้ว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยไม่ค่อยจะเสด็จออกอย่างเป็นทางการให้ประชาชนเห็น คนแต่ก่อนนี้เขาห้ามมองพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมใครมองพระเจ้าแผ่นดินโยโดนยิงลูกกระตาเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเสด็จในเวลาในปีหนึ่งเนี่ยเสด็จในงานที่เรียกว่าพภเกียรติยศยิ่งใหญ่เนี่ยเป็นเรือขบวนเสด็จสมัยก่อนรถมันไม่มีอย่างนี้ต้องทางน้ําพระเสด็จเต็มขบวนเต็มเกียรติยศเนี่ยปีละครั้ง วันลอยกระทงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยที่ที่เกิดที่เป็นช่วงเวลาที่ อ, อเจ้าเขาอยู่ที่ออกยาโกษาธิบดีโกษาปานเนยุคนั้นเน่ ยุคเจ้าพระยาวิเชยเยนฟอนคอนคอนสแตนตินฟอนคอนน่ยขึ้นครองราชในปี 2,199 พนันอะไรเน่ยนะ 2,199 มันจำยากตีซิว่า 2,200 กันล้วกัน 2,200 มาลบ 2,561 มันกี่ปีอะ่ะ สาม้อยหกสิบเอ็ดปีตีเซว่าพระนารายยุคพรนารายเนี่ยสามสี่ห้าสามร้อยห้าหกสิบปีเนี่ยตั้งแต่ท่านคลองราดขึ้นคลองราดมีรอยกระทงแล้วบาทหลวงชาวฝรั่งเศสบันทึกว่าเมื่อสมเด็จพระนร า, ายสเสด็จมาเนี่ยรอยกระทง ทรงเห็นสำนักศาสนาคริสที่พระราชทานที่ดิดก็ทรงให้ฝีพายเนี่ยแวะเลยเแวะหน่อยไปเทียบท่าลิมฝังแล้วขึ้นเสด็จไปที่สำนักไปดูว่าเป็นยังไงเขาจึงบันทึกเอาไว้เป็นภาษาฝรั่งเศสคนก็แปลมาให้อ่านสมัยนี้ รอยกระทงก็เป็นเรื่องชาวบ้านแต่เน้นในงานสนุกสนานรื่นเริงไม่ได้เกี่ยวกับาศาสนาเลยเพราะว่าเดือนสิบสองนี่น้ำมันนองแล้วน้ำใสที่ว่าขอคามาแม่คงคาสมัยก่อนเขาไม่ได้คิดนะไปที่ไหนน้ำนองเจอหมดใสหมดเลยนะสามร้อยกว่าปี4ี่้อยปีนะ่ะ มันไม่เน่าเหมือนสมัยนี้นะต้องขอขมากันใหญ่เป็นงานสนุกสนานบันเทิงรื่นเริงมีเพลงเรือ อ, อะไรอื่นใหมเพราะฉะนั้นเมื่อปี 2,553 วัดประยูน์ก็เลยไปชวนโบสถ์ซังต์ครูซท่านอธิการ ช, ชวนอิหม่ม์แล้วมาจัดงานลอยกระทงด้วยกันเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับาศาสนา ทำพิธีเปิดงานกันครั้งแรกที่สะาสำนักเทศกิจแล้วให้มาขายของกันคนมันไม่ใช่วิสาขะไม่ใช่มารคะซึ่งเป็นเรื่องของศาสนาแต่นี่มันเป็นเทศการรื่นเริงแต่โบราณคนไทยทุกคนเข้ามาร่วมในมดไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามปรากฏได้รับความร่วมมือนะท่านอิมาม ท่านบาทหลวงมานั่งอยู่บนเวทีเปิดงานในตั้งแต่ปีห้าสามมาและร่วมมือกันมาจนปัจจุบันนี้จึงไม่แปลกที่ในคืนนี้วันนี้มีพี่น้องชาวคริสต์ชาวมุสลิมมาเปิดร้านขายของอยู่ในวันเพราะระดับขนน้าร่วมมือกันหมดแล้วช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะลอยกระทงเป็นเทศกาลงานรื่นเริง ของประชาชนแต่เสร็จแล้วเมื่อลาชาพิธีจองเปรียงสูญหายไปวัตถุประสงค์ของลาชาพิธีจองเปรียงก็ย้ายมาอยู่ในงานลอยกระทงเพราะว่าบางปีเนี่ยจองเปรียงซึ่งมีเวลาประมาณครึ่งเดือนเนี่ยชักโคมมันมาตรงกับลอยกระทงในปีที่เดือนแปดสองหนเรียกว่าอธิกมาศ เพราะฉะนั้นเอามารวมกันไปเลยแล้วจองเปลียงก็หายไปวัตถุประสงค์ของจองเปลียงก็ย้ายไปอยู่ที่ลอยกระทงลอยกระทงทำไมอา้าวลอยกระทงก็เพื่อบูชาลอยพระบาทพระศ า, าสดาที่ลิมฟังแม่น้ำนำมาถาอามาแล้วหนึ่งบูชาพระเจดีย์จุฬามณีบนสวงสวรรค์มาแล้วสอง ขอขมาต่อแม่น้ำคงคามาแล้วสามโบราณอาจจะไม่มีเพราะน้ำมันใสสมัยนี้พอลูชั่นเยอะบลรพิษมากขอขมาอันที่สี่ลอยบาปลอยเคราะห์ไปลงแม่น้ำโขงน่นลงทะเลเป็นวัตถุประสงค์ ก็บอกแล้วว่าใครมาลอยกระทงอธิษฐานอะไรก็ได้สี่อย่างหรือครบทั้งสี่ก็ได้เป็นศาสนาอื่นลอยบาบลอยเคราะหบูชาเทพเจ้าเหมือนตรีมูรติก็ได้เพราะพระพุเทธเจ้าไม่ได้บัญญัติให้มีลอยกระทงแต่เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วเราเอาเรื่องศาสนาเข้าไปผสมตั้งแต่ ร้อยหกสิบปีร้อยห้าสิบปีมาแล้วร้อยกระทงวันนี้เราก็บูชาลอยพระบาทพระศ า, าสดาริมฝั่งแม่น้ำนำมาทาบูชาพระเจดีจุรามณีบนสวงสวรรค์บูชาอะไรอกีกขอขมาแม่คงคาแล้วลอยบาบลอยเคราะ ให้มันหมดุททุกศอกโรคภัยเอาเทียนเผาไปเลยแล้วยังมีแถมอีกลอยกระทงเสี่ยงทายนะจะได้เจอเนื้อคู่ไหมจะได้มีโชคลาภไหมเราก็เพิ่มเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้บอกแล้วแบงค์เช็คเติมอะไรเข้าไปก็ได้แต่วัดประยูน เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งมองไปที่สระนั้นท่านก็เห็นแล้วพวกเราไม่ต้องเงยหน้าไปถึงเจดีย์จุฬามณีหรอกเจดีย์จุฬามณีรูปร่างอย่างไรพระมาลัยท่านถอดจิตขึ้นไปไหวพระเจดีย์จุฬามณีพระมาลัยเทวเถรเนี่ยครบภาีอาริยะเมตไตรกําลังมาไหวพระเจดีย์จุฬามณีเลย สนทนากันบอกว่าใครถ้าอยากจะพบศาสนาพระศรีอานต้องฟังเทศมหาเจ้หาชาติคาถาพันเวสันดรหนึ่งพันจบบูชาได้ของหนึ่งพันอย่างแล้วจะได้เกิดทันศาสนาพระศรีอานตอนที่สนทนาการเนี่ยสนทนาอยู่หน้าเจดีจุลามณีแล้วท่านลงมาก็มาเล่าแล้วก็ให้คนศรีรังกาเนี่ยสร้างเจดี ทรงหลังกาขึ้นมาโดยเรียนแบบพระเจดีย์จุฬามณีบนสวงสวรรค์ถามว่าเจดีย์จุฬามณีเนี่ยทรงหลังการูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนี่ไงเจดีย์วัดประยูรเนี่ยเขาเรียกเจดีย์ทรงหลังกานี่คือเจดีย์จุฬามณีลอยจากฟ้ามาอยู่ตรงนี้แล้วและพระสาลีลิกธาตุก็อยู่ข้างในแล้วคนพบแล้ว มีก้าองค์ห้าองค์สมเด็จพระเทพเชิญขึ้นไปประดิษฐานตรงห้องที่มีกระจกมันจุไว้ในเจดีย์ทองคำแปดสิบบาทไม่ต้องไปสนใจเพราะมันเป็นกระจกนีละภัยอีกร้อยปีค่อยมาเปิดให้ราคาทองมันขึ้นมากกว่านี้ค่อยมาซ่อมอีกอีกสี่องค์เนี่ยเอาไว้ในวิหารแล้วพอถึง วันลอยกระทงก็แหกันนะไปถึงวันไก่เตี้ยนะแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้ให้คนได้มา้อยประทีปเทียนหอมบูชาพระสารีนิกทธาตุซึ่งบรรจุอยู่ในพระเจดีย์จุลามณีวัดประยุทธ์เข้าใจประเด็นหรื อ, อยังพูดมาจัคอแห้งเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปกล่าวคำบูชาพระเจดีย์จุลามณีของเรานี่แหละ แล้วก็บูชาพระโน้ร้อยพระบาทที่ริมฝั่งแม่น้ํานำมาทานี่ก็คือที่มาที่ไปเราจัดของเราในทางาศาสนาส่วนคนที่มาร้อยถ้าเป็นาศาสนาอื่นเขา อ, อธิษฐานอื่นข้ออื่นนี่เสียงท้ายก็ได้ลอยบาทรลอยเคราะก็ได้เพราะว่าไม่ได้บัญญัติไว้ตั้งแต่ต้นไม่ใช่พุทธบัญญัติมาเรามาปรับมาตั้งแต่สมัยราชการที่สี่ และในสมัยพระนรายก็มาลอยกระทงร่วมกันริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่วัดประยุรวงศาวาสมีเรื่องที่แถมให้ก็คือว่าในงานนี้ปกติเราจะอภิปรายกันเรื่องที่มาที่ไปของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงโค้งนี้ โบสถ์สางตาครูสมาอย่างไรวัดประยูนสร้างอย่างไรและกรุงธนบุรีที่เราอยู่ตรงนี้เกี่ยวข้องกับเราอย่างไรก็ไปรอฟังโน่นงานฉลองวัดประยูนหรือไม่ก็งานสงกรานวันนี้พูดเรื่องรอยกระทงให้ฟังแต่จะแถมว่าเนื่องจากเราได้ดูภา พ, พยนตร์ทีวี TV สิ เรื่องบุเพสรรใ น, นวาดสมัยพระนารายมหาราชเรื่องลอยกระทงเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังว่าในสมัยพระนารายมหาราชเนี่ยเกี่ยวข้องกับเขตตรงนี้อย่างไรสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยเป็นมหากษัตริย์ที่มีพระวิสัยทัศน์กว้างไกลค้าขายกับต่างเมืองต่างประเทศเรือสำเภาค้าขายเนี่ย ไปกรุงศรีธัญามากมายโดยเฉพาะเปิดความสัมพันธ์กับโปรโตุเกสอังกฤษเาเรียกว่าวิลันดา ก, ก็คือฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์แล้วฝรั่งเศสก็เข้ามาอีกเป็นความสัมพันธ์เรือจีนก็เข้ามาท่านลองคิดดูนะเรือเหล่านี้เมื่อเข้ามาเนี่ยมันเหมือนสนามบินเวลา เครื่องบินจะลงมันต้องไปลงสนามบินลงสนามบินจะต้องมีด่านศุลกากรเก็บภาษีเรือสำเภาที่มาเขาก็จะต้องมีด่านเก็บภาษีเขาจะทำด่านเก็บภาษีเรือก่อนที่จะไปค้าขายในอยุธยาตรงนี้มาจากปากน้ำอะนะที่พระประแดงเนี่ยนะมาถึงตรงนี้ ที่ตรงนี้หน้าวัดประยูรเนี่ยเป็นด่านเก็บภาษีเรือต่างชาติที่มาทั้งหมดโดยโดยตั้งด่านอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือที่ไหนตรงวัดอรุณ น, นั่นแหละแล้วที่วัดอรุณเนี่ยมีเมืองชื่อเมืองทนบุรีสมัยโบราณเนี่ยเรียก ไอเมืองธนบุรีเนี่ยมาตั้งสมัยพระเจ้าตากสมัยก่อนเขาเรียกเมืองบางกอกเมืองบางกอกเนี่ยสันนิษฐานว่าชื่อบางกอกเนี่ยนะมันมาจากไหนก็นแล้วจะสันนิษฐานกันวัดอรุณแต่เดิมเนี่ยชื่อวัดมะกอกอาจจะมาจากชื่อวัดนั้นก็ได้หรือเหตุผลอื่นก็นแล้วแต่ เพราะฉะนั้นด่านเก็บภาษีสุลกากรนเนี่ยมันยังอยู่ตรงแถววัดอรุณนั่นแหละโดยมีเมืองบางกอกอยู่ในเขตที่เป็นพระราชาวังเดิมเรารู้จากอะไรรู้จากแผนที่สมัยพระนารายเขาเขียนเอาไว้เลยฝรั่งเศสเนี่ยทำแผนที่เมื่อส6 0หสปีมาแล้ว เขียนแผนที่ตรงวัดอรุณเนี่ยเป็นเมืองบางกอกแล้วก็มีป้อมสำหรับคุมเรือที่มาจากเจ้าพระยาสองป้อมด้วยกันโดยพระนารายณ์ได้สั่งให้ปรับปรุงป้อมเดิมให้ใหญ่โตขึ้นปัจจุบันก็คือป้อมวิชัยประิสธิ ท, ที่ที่กองทัพเรืออยู่ คนที่คุมในการสร้างป้อมเนี่ยก็คือเจ้าพระยาวิชเชยนฟอนคอนคู่ปรับของพระเพทราชาของในเดือรหรือพระเจ้าเสือน่ยที่ตอนหลังพระเพทราชาข่าตายอ่ะนั่นแหละคือคอนสแตนตินฟอนคอนเป็นชาวกรีกตอนที่เขาถูกฆ่าตายเขาอายุสี่สิปีเท่านั้น ภรรยาชื่อมารีกีมายังสาวยังสวยอยู่วิชัยเยนฟอนคอนเนี่ยได้รับคำสั่งจากสมเด็จพระนารายณ์ให้มาสร้างป้อมวิชัยประสิทธิ์ตรงนี้แล้วฟังพระนครปัจจุบันเนี่ยสร้างอีกป้อมหนึ่งชื่อป้อมวิชัยเยนสองป้อมด้วยกันแผนการก็คือว่า เวลาเรือมาเนี่ยมันจะต้องหยุดตรงนี้เพื่อจ่ายภาษีถ้าเป็นเลือฆ่าเสกก็ต้องหยุดให้ตรวจอาวุธแล้วจะหยุดอย่างไรถ้าเรือมันไม่หยุดอ่ะมันเล่นเร็วอ่ะป้อมสองข้างเนี่ยเขาจะเป็นที่ผูกโซ่โซ่ใหญ่ขึงอยู่ใต้น้ำนะปลายหนึ่งอยู่ฝั่งวิชัยประิทธิ์ฝั่งวัดอรุณออกด้านหนึ่งอยู่ทางวัดโพ แล้วเอาโซ่เนี่ยล่ามไว้ใต้น้ำถ้าเรือไม่หยุดจ่ายภาษีเนี่ยยกโซ่เลยหยุดทุกลำเลยเนะี่ยเก็บภาษีมาแต่โบราณเขาเรียกว่าเป็นเมืองขนอนคือด่านภาษีเมืองนี้จึงเจริญเนี่ยรุ่งเรืองนะเพราะว่าภาษีมันสะพัดมีเงินเยอะเขาจึงเรียกว่าทนบุรี ฐานะน่าแปลว่าเงินมีเงนินเยอะไม่ใช่ทอทหารทนหน้าดำคําเครียดกันอยู่ทนบุรีต้องมีตังค์ไม่มีก็ต้องมีสมกับอยู่ทนบุรีเสร็จแล้วเล่าต่อ น, นิดนดิงนายคอนสแตนตินฟอนคอนเนี่ยในปลายราชการของพระพระัพะพะนาละายมหาราชพันะลายประชวนตอน บ้นปลายวิตเป็นโรคอะไรรู้ไหมหอบพืนหายใจไม่ออกพนอะายเนี่ยสมัยนี้ไม่ตายหรอกหอบพืนมียารักษาพนอะายเสด็จสวรรคตพระโรคหอบพืนรัชากาลที่ห้เสด็จันเสวีสวรรคตพออะไรโรคพระวักกะสมัยนี้ไม่ตายโรคตายไง ล้างไตได้เราเกิดมายุคนี้ถึงอายุยืนไล้างไตกันเยอะไปถามหมอว่าทำไมสมัยนี้คนถึงล้างไตยเยอะไม่เหมือนสมัยก่อนหมอก็บอกว่าเพราะสมัยก่อนไตตั้งแต่ไต ย, ยังไม่มีไวไม่ไวเดี๋ยวนี้อยู่มาเจ็ดบปใช้ไตนานมันก็มันก็ต้องมีปัญหาต้องล้างไตไงใครอายุยืนก็จะเจอปัญหาพวกนี้แหละ ถ้าไม่อยากเป็นโรคไตก็รีบตายเขาบอกอย่างนั้น อ, อ, อยู่ไปเถอะดีกว่าล้างไตก็ยังดีกว่าโลกขอพหืนน่ะพนันเลยคนก็รู้สิว่าใกล้แล้วแล้วเสด็จไปอยู่ที่ไหนโน่นลาวลพ บ, บุรีไม่อยู่อยุธยาไม่ประทับอยุธยานะแล้วไหนคอนสแตนตินฟอนคอดเนี่ยเป็ น, ody, นอัครมหาเสนาบดีนะ ที่ในหลวงไว้ใจคนต่างชาติจะเข้าเฝ้าพะระนารายไม่ได้ต้องผ่านเขาคนลเรเกลียเขาอะผูกขาดเจ้าหนายอยู่คนเดียวเพราะเดี๋ยวจะไปชอบคนอื่นและเมื่อเขาเข้าเข้าเฝ้าได้คนเดียวเนี่ยเขาก็แต่งเรื่องจับเพชนแกะไปเพชรทูลพะระนาราย ว่าให้คบกับฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่มีอำนาจเอาไว้ท่วงดุลกับเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสส่วนเขาก็ไปบอกคนฝรั่งเศสว่ามาเมืองอายุทยาเถิดพระนารายจะเปลี่ยนศาสนาตอนนี้อ่านแต่ไบเบิลไม่อ่านพระตไตรปิฎกแล้ว ไปหลอกฝรั่งเศสว่าพระนารายณ์จะเปลี่ยนาศาสนาแต่จริงๆพระนารายณ์ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนเลยแต่ฟอนคอนเนี่ยการที่ตัวเองเข้าถึงเจ้านายคนเดียวก็บอกทูตบอกอะไรไปไปถึงพระเจ้าหลุยที่สิบสี่พระเจ้าหลุยที่สิบสี่ดีใจกษัตริย์ในตะวันออกไกลเนี่ยจะนับถือาศาสนาคริสต์ โดยที่ทูตจากไทยคือโกสาปานเนี่ยไปฝรั่งเศสก่อนพอโกสาปานกลับก็ส่งราชาทูตของพระเจ้าหลุยส์มาเหตุเพราะคิดว่าจะเปลี่ยนาศาสนาพนรายราชาทูตของฝรั่งเศสก็คือเดอชมองมากับโกสาปานนั่งเรือกันมาเวลาจะเข้าเฝ้าเราก็จะเห็นละเถียงกันใหญ่เลย เวลาจะถวายพระราชสารเนี่ยจะถวายยังไงเดยโชมองจะถวายเอะราชทูตจะถวายพระราชาสารแกพระนารายณ์พระาานารายณ์ปกติก็ยืนอยูอ่ประทับอยู่บนบัลลังก์ไม่สูงนักเขาก็บอกฝรั่งต้องคุกเข่าแล้วก็ยื่นถวายฝรั่งบอกขอยืน เสียเกียรติพระเจ้าหลุยเพราะนี่เป็นพระราชสารเถียงกันจนครึ่งเดือนก็ยังไม่ได้เข้าเฝ้าในวันก็เลยเกิดความคิดบอกยืนก็ได้ถึงเวลามาก็แล้วกันให้ยืนถวายในขณะที่เสนาบดีไทยนี่หมอบกราบฝรั่งโดยโชว์มองนะเราจะเห็นภาพวาดยืนอยู่คนเดียวไม่ใช่ยืนอยู่คนเดียวสิ คอนสแตนตินมอบกราบเพราะเป็นฝ่ายไทยไปแล้วในวิชียนฟอนคอนแต่บาทหลวงที่มาด้วยเนี่ยยืนชื่อหลุยส์ลาโนยืนแล้วก็ผู้ช่วยทูตนี่ยยืนสามคนนอกนั้นมอบกราบบทแล้วยืนแล้วไม่สูงกว่าพระเจ้าแพนิตเหรอไม่สูงเพราะว่าในฝ่ายไทยนั้นคิดพระราชะอาณาแบบใหม่ ไม่เคยมีมาก่อนสูงริ่วยังกะธรรมะศรพระเลยเลยหัวของนายเดิชมมองอีกแล้วจะเห็นรูปภาพอ่ะที่วาดอ่ะนะไปะทับอยู่บนพระราชอาสูงยังกะธรรมะศรพระอยากจะรู้ว่าธรมมารมะศรัทธสูงขนาดไหนไปดูของวัดประยูนนะ่ะบนสลาเนะนะี่ยสูงริ่วเลยต้องปอีนขึ้นหลายสิบขั้นหลายห้า ห, หขั้นนะอ่ะเพราะ ในเดชชมองเห็นพระราชาศบัลลังก์สูงขนาดนั้นเขาทำยังไงรู้ไหมเขาถือพระราชสารใส่ในผานทองคำผานทองคำเนี่ยนะและมันจะมีขานะให้ถือด้วยฝ่ายที่ให้มีขาเนี่ยเพื่อให้ยื่นทรงเพราะผานเนี่ยทรงแค่นี้มันไม่ถึง ต้องทําที่ถือเนี่ยเป็นกา้านส่งอย่างนี้ก็พระเจ้าเปรีนก็รับพอดีเลยในเดชโชมองก็หัวหมอนอะแทนที่จะยืนยนนะนย่นอย่างนี้เาลถือไปเนี่ยื่น อ, อย่างนี้พระนารายณ์ก็หยิบสารไม่เดชโชมองแกถืออย่างเงี้ยไม่ยกพระเจ้าเปรีนอยู่สูงแกก็เดินทื่อๆไปแค่เนี้ย คอ orn, นสแตนซินฟอนคอนน่ะวิชเยนก็บอกบทสิยกย ก, ย ก, ยกพระราชสารขึ้นเดชโฉมก็ยื่นอยู่แค่นี้พระนาราย์ทำยังไงมันก็อึดานสิพระนาาย์ก็น้มตัวลงมาก้มลงมาหยิบสารแล้วทรงพระสรวลคือหัวเราะเบาๆก็โล่ง อ, อกสิพระพร ะ, พระเจ้าแผ่นดินไม่โกรธนะแล้วหัวเราะ ก็ จ, จบไปนี่ก็เป็นวิธีการทูตคนก็ไปถามเดอร์โชมองว่าคุณไปทำอย่างนั้นได้ยังไงเขาก็บอกว่าสารของเขามีเกียรติเป็นของพระเจ้าลุยส์แล้วการที่เขาได้ยืนสูงเนี่ยมันสะใจนะสูงกว่าเจ้านายคนไทยทั้งหมดที่มอบอยู่ฝรัง่งเศสแน่ว่างันเพราะเดอร์โชมองเนี่ย มาเนี่ก็มาทำสองเรื่องหนึ่งมาขอค้าขายทำไอ้เรื่องสุลกากรเนี่ยพระเจ้าเปดินเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นพ่อค้าใหญ่ที่สุดของสยามสมัยนั้นประเทศไทยเรียกว่าสยามนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองรับคำสั่งจากพระเจ้าหลุยมาบอกให้พระนารายณ์เปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาคริสต์ เวลาที่เดโชมองกราบทุเนี่ยเรื่องค้าขายเนี่ยคอนสแตนตินฟอนคอนพระเจ้าพระยาวิชเยยในฟอนคอนเนี่ยนะแปลทุกคำแต่เวลาที่ขอให้เปลี่ยนศาสนาผู้ภิพากาฝรั่งเศสเนี่ยคนอื่นก็ไม่รู้คนไทยโบราณเนี่ยฟอนคอนแปลเป็นภาษาไทยข้ามไปเยอะเลยไอตัวเองเน่เหงื่อแตกไม่กล้า ละลาบละล้วงให้พระนารายณ์นี่เปลี่ยนศาสนาแปลก็แปลไม่หมดพระสารก็สั้นๆของในพระเจ้าหลุยก็ไม่ยาวไม่ได้พูดในพระราชาสาร น, นะว่าให้เปลี่ยนศาสนานะที่ส่งมาเนี่ยของพระเจ้าหลุยที่สิบสี่ไม่มีแต่เดชโชมองเป็นคนพูดว่าให้เปลี่ยนศาสนาแต่ยังไงมันก็มีคำให้เปลี่ยนศาสนานี่แหละพระนารายณ์ตอบว่ายังไงรู้ไห ถ้าพันลายเปลี่ยนศาสนาประเทศไทยเราก็คงเปลี่ยนศาสนาตามไปเยอะเลยล่ะพันะลายสมเด็จพันลายตอบว่าพระผู้เป็นเจ้าให้ให้ไปบอกพระเจ้าหลุยของท่านนะว่าพระผู้เป็นเจ้าของท่านผู้ทรงมหิทธาหนุภาพจนบัดนี้ยังทรงบันดาลให้ข้าพระเจ้า นับถือพระพุทธศาสนาพระผู้เป็นเจ้าของท่านบรรดาให้เรานับถือพุทธศาสนาเราก็จะนับถือพระพุทธศาสนาไปก่อนแต่วันใดพระผู้เป็นเจ้าผู้มีหิทาไม่หิทธานุภาพของท่านดนบรรดาให้ขปเจ้าเปลี่ยนใจนับถือคริสศาสนาเมื่อนั้นขพเจ้าก็จะนับถือคริสศาสนาพูดง่ายๆว่าลออานาจดนดนใจของพระผู้เป็นเจ้าของท่าน บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนถ้ายังนับถือศาสนาต่อไปสแสดงว่าพระผู้เป็นเจ้าของท่านยังไม่โดนใจก็รอไปก่อนก็นแล้วกันเรียกว่าเป็นการทูตที่ยอดเยี่ยมประเทศไทยก็เลยไม่ได้มีเรื่องการเปลี่ยนศาสนาแต่ฟอนค่อนเวลาแปลนเนี่ยนะคนแปลเนี่ยมันแปลเข้าข้างฝรั่งเศสด้วยว่าพระนารายเองเอียงจะนับถือศาสนา ในที่สุดก็ส่งทูตไทยกลับไปเยี่ยมพระเจ้าหลุยที่สิบสี่อีกรอบหนึ่งอันนั้นแหละรอบที่ก็ร อ, อบรอบที่สองที่ไปเนี่ยโกษาปานันโกษาธิบดีปานถึงไปไไม่ได้ไปรอบแรกนะที่ส่งไปรอบแรกเนี่ยชุดชุดหนึ่งแล้วก็ได้เดชชอมองมาพอฝ่ายฝรั่งเศสเข้าใจว่าพระนารายจะเปลี่ยนาศาสนา และพระนรายก็ส่งโกษาปานไปเป็นราชทูตเป็นคณะที่สองของไทยไปพบเฝ้าพระเจ้าหลุยที่สิบสี่พระเจ้าหลุยสิก็ส่งราชทูตกลับมาอีกรอบหนึ่งเพราะนึกว่าจะเปลี่ยนศาสนาไงมาครั้งที่สองนี้ส่งลาลูแบมาลาลูแบมานี่ไม่ได้มาธรรมดาท่านพาทหารฝรั่งเศสมาหกร้อยคน มีนายพลเดอฟาชเป็นหัวหน้าคณะทหารฝรั่งเศสอ้างว่าจะมารับใช้พระนารายมหาราชในการปราบกบฏอะไรก็ตามแต่จริงๆมาตามคำขอของวิเชยเยนฟอนคอนที่จะยึดอำนาจทหารฝรั่งเศสห0ร้อบวกนายพลเดอฟาชมากับลาลูแบ ลาลูแบร์มาถึงกรุงศรีอยาเนี่ยเป็นแมวมองว่าพะระนารายจะเปลี่ยนศาสนาจริงหรือไม่แล้วประเทศไทยมีทรัพย์สินอะไรบ้างแกทำบันทึกไว้หมดเลยคนไทยรูปร่างหนะ้าตาเป็นอย่างไรเศรษฐกิจมีอย่างไรปลูกข้าวได้เท่าไรมีแร่เท่าไรทำแผนที่ไว้หมดเลยเมื่อสามร้อยห้าสิบปีมาแล้วแกทำแผนที่กรุงศรีอยาไว้หมด เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสนะทําแผนที่กรุงธนบุรีเนี่ยบางก อ, อกไว้ด้วยนะเรารู้แผนที่ธนบุรีสมัยนั้นจากลาลูแบคนนี้แหละทูตคนนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วปัจจุบันนี้เขาแปลเป็นภาษาไทยแล้วเราก็รู้เลยว่าลาลูแบเราเรียกว่าจดหมายเหตุลาลูแบในภาษาไทยแปลจากภาษาฝรั่งเศสเพราะ ท่านรู้ไหมทาหารฝรั่งเศสหกร้อยคนอย่านึกว่ามากออย่านึกว่าน้อยนะเทียบกับอัตราประชาชนประชากรสยามในสมัยพันารายท่านรู้มีกี่คนให้เดาสมัยนี้คนไทย 70, เจ็ดสิบหกสิบเจ็ดล้านคนเกือบเจ็ดสิบล้านคนสมัยรัชกาลที่ห้ามีสามล้านคน สมัยพะระนารายเดาว่ามันน้อยกว่านั้นหลังหลังราชการที่ห้าทำไมลูกมา ก, กาไม่รู้เนะหกสิบเจ็ดล้านจากสามล้านสมัยพะระนารายลาลูแบบันทึกว่ามีหนึ่งล้านเก้าแสนคนคนไทยอ่ะเมื่อสามร้อยห้าสิบปีมาแล้วหนึ่งล้านเก้าแสนคน ทรงทหารมาหกร้อยคนนี่มันเยอะนะแล้วมีอาวุธปืนครบมือเนี่ยพร้อมที่จะยึดอำนาจได้เลยแล้วพะนลลายบอกอย่ามาอยู่เลยในกรุงศรีอยนะุธะคุณเดอฟาชทหารฝรั่งเศส่ะกลัวพะนลลายอยู่ลาวโวลบบุรีพระเพทราชาอยู่อยุธยาพระเพทพระเพทราชานี่คุมกองคตฉบาลนนะ่ะพลช้าง กลัวทหารฝรั่งเศสบอกทหารฝรั่งเศสไปอยู่ที่ไหนโ น, น่นไปอยู่บักกอกไปอยู่ป้อมวิชัยประิทธิ์ป้อมวิชเยนนี่แหละข้างๆวัประยุนนี่โยงแล้วนะถ้าฝรั่งเศสยึดอำนาจก็เริ่มจากตรงนี้แหละทหารหกร้อยคนโดยนายพล เดอฟาชเป็นผู้นำชะตาเมืองไทยเนี่ยมันเกิดเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสแล้วล่ะฟอนคอนคิดการใหญ่โดยให้พระอนุชาพระนารายณ์นี่สืบราชอำนาจขึ้นเป็นผู้นำเป็นพระเจ้าแผ่นดินวางแผนแต่พระอนุชาพระนารายณ์เนี่ยชอบศาสนาคริสต์มาก มันจึงเป็นที่หวาดกลัวของพระเพศราชาและพระเจ้าเสือในเดือเนี่ยว่าพ้นสิ้นพระนารายณ์แล้วประเทศไทยจะเปลี่ยนศาสนาแล้วในฟอนค่อนบอกว่าถ้าพระเจ้าเพเดินเปลี่ยนคิดแล้วอยู่ประเทศสยามอยู่ในกำมือเราเขาวางแผนยึดอำนาจอย่างเงียบๆพระเพศราชารู้แผน ในเดือนหรือเจ้าเจ้าเสือรู้แผนก็รวมตัวกันอย่างที่เรารู้ในภาพยนต์ทีวีเนี่ยก็คือเมื่อพระนารายประชวรหนักพระเพราชาก็ยุดอำนาจเพราะตอนบ้านปลายเนี่ยพระพระรนาราย์มอบอำนาจในการปกครองบ้านเมืองให้พระเพราชาเป็นผู้รักษาราชการก็ทรงยักย้ายถ่ายเททหาร เรียกนายพลเดอฟาชที่อยู่บางกอกเนี่ยให้ไปกรุงศีอี่ธยาพูดง่ายๆก็คือจริบอาวุธนั่นแหละพระเพทราชาโดยในขณะเดียวกันก็จับตัวนายวิเชยเยนฟอนคอนเอาไว้เป็นตัวประกันพระเพทราชาจับไว้แล้วก็เรียกทหารฝรั่งเศสหกร้อยคนนี่ ให้ขึ้นไปกรุงศรีอยุธยาทั้งหมดเพื่อจัดการปลดอาวุธในพลเดลฟาชลูแกวทหารทั้งหมดให้อยู่ที่นี่ตัวเองกับผู้ติดตามผู้ใหญ่สองสามคนไปกรุงศรีอยุธยาพระเพทราชากโกรธประหารวิชเยนฟอนค่อนทันที แล้วก็เจราจากับนายพลเดอฟาชเจราจากันไม่สำเร็จนายพลเดอฟาชกลับมาที่ป้อมเนี่ยวัดอรุณเนี่ยเตรียมสู้กับทหารไทยกองทัพไทยเรือไทยมาโจมตีป้อมเนี้ยที่วัดอรุณเนี่ยป้อมวิชัยประสิทธิ์เนี่ยยิงกันตูมตามตูมตามฝรั่งเศสบอก เมื่อนคนไทยไม่ได้เก่งอะไรแล้วไม่กลัวมาเท่าไรยิงตายเรียบที่ไหนได้เหลือไทยเก่งฮห hey? สู้กันกับฝรั่งเศสเรียกว่ากัมกึ่งกันวงเล็บฝรั่งเศสไม่รู้หรอกว่าฮอลันดาช่วยไทยอยู่ฝรั่งมันมก็มันไส้กันนะ่ะฝรั่งแอบช่วยไทย สู้กับฝรั่งเศสมันก็เลยพอฟัดพอเวียงฝรั่งเศสก็เลยต้องยอมเจรจาสงบศึกไงไม่อาจชนะได้ถ้าหอรดาไม่ช่วยดีไม่ดีออกมานอกป้อมลงเรือยุดเรือไปตีกรุงศิียุธยานะดีแต่ว่าเนเธอร์แลนด์น่ฝนะรั่งเศสมันสฝรั่งมันใส้ฝรังร่งด้วยกันน่ช่วยไทยฝรัง่งไอไนพอเดอฟ้าก็เลยหลบอยู่ในป้อม วัดอรุณเนี่ยไก่วัดไปโยนเนี่ยเวลาไปก็ดูๆมันมั่งเสร็จแล้วพะโลไปในนั้นใช่ไหมเจรจากันรวมความว่าอย่างนี้ให้ในายพลเดว์ฟาชเนี่ยถอนทหารกลับฝรั่งเศสได้นายพลเดว์ฟาชบอกไม่ไว้ใจเดี๋ยวเวลาฉันออกไปนอกป้อมคุณก็มาเรือถล่มเรือฉันสิ ก็เลยขอตัวประกันฝ่ายไทยเป็นเจ้าเป็นพรยาสองท่านเป็นข้าราชการผู้ใหญ่เอามาอยู่ในในในเรือของฝรั่งเศสที่บรรทุกทหารแล้วเอาในพลชั้นรองของไทยสองคนเนี่ยให้พระเพทราชา ย, ยึดตัวไว้เขาเรียกมีตัวประกันเจรจากันอยู่เนี่ยเป็นเดือน น, นกว่าจะยุติในช่วงเจรจาเนี่ย ภรรยาของวิชเยนฟอนคอนเนี่ยคือที่เรารู้จักว่าเาวาทองกีบมานะ่ะมาเรียกีมานะ่นะถูกในเดือหรือพระเจ้าเสือในอนาคตเนี่ยจับตัวไปจะเอาไปทำเป็นภรรยาเพราะแกสวยฝรั่งไม่ยอมอ่ะลูกครึ่งอ่ะลูกครึ่งญี่ปุ่นแขกคือมาเรีย มาริมารกิมาเนี่ยหนีหนีจากพระเจ้าเสือเนี่ยมันหลบอยู่ที่ป้อมเนี่ยกับในพลเดอฟาชขอให้ในพลเดอฟาชพาออกนอกประเทศไปฝรั่งเศสด้วยมาริกิมานะ่นะทรัพย์สินทั้งหมดนี่โดนทางการยึดแต่หอบทรัพย์สินอีกส่วนหนึ่งเนี่ย เอามาฝากในพลเดอะฟาชในพลเดอะฟาชบอกว่าพาคนกลับฝรั่งเศสไม่ได้เดี๋ยวทหารไทยโกรธจะฆ่าตัวประกันฉันทรงกับแต่มีแต่ช่วยเจรจาว่าให้ไปอยู่กับพระเจ้าเพลินคือประเภทราชาไปอยู่ที่นั่นปลอดภัยหน่อยแล้วในพลเดอะฟาชก็ เดินทางออกนอกประเทศไทยเอาทรัพย์สินของมารีกีมาไปหมดเลยเขาเรียกว่าผีซ้ำดั้มรอยนะสามีถูกประหารทรัพย์สินก็ถูกยึดไปอาศัยเหมือนกับเป็นทาสอยู่ในวังพระเพทราชาในยุคพระเจ้าเสือก็ลําบากระบนพระเจ้าเสือพรจิจริตรจนถึงสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระสมัยพระเทพราชาก็เป็นเหมือนกับคนครัวเนี่ยแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระนี่เป็นหัวหน้า ห้องเครื่องนะห้องครัวทำขทำของเขาเรียกจ่ายตลาดก่อนเอามาทำอาหารถวายพระเจ้าแผ่นดินเป็นคนซื่อสัตย์มากสมัยก่อนนั้นห้องครัวกงเงินก็ไม่เงินก็งดของถวายในทำถวายในหลวงก็คุณภาพแย่แต่มารีกีมาเนี่ยของมีคุณภาพเงินเท่าเดิม โอ้ยซื่อสัตย์พระเจ้าอยู่หัวท้ายสะให้อำนาจเยอะเธอก็เลยผลิตทำขนมถวายพระเจ้าแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีขนมที่เธอทำเนี่ยเอาฝามคิดสร้างสารรค์จากขนมโปรโตุเกตบวกกับขนมไทยเป็นทองหยอดทองหยิบไยทอง ซึ่งไม่เคยมีในประเทศไทยมารีกีม่าเป็นคนคิดขึ้นมาขนมฝรั่งเศสที่ไม่ได้แปลงทุกวันนี้ยังอยู่คือขนมฝรั่งกูดีจีนเนี่ยอยู่บ้านเราเนี่ยมาวางขายตรงเนี้ยแต่ทองหยิบทองหยอดฝอยทองสันขยะเอาไทยผสมโปรตุเกสโดยฝีมือเท้าทองกีบมา้าเป็นชื่อตำแหน่งห้องครัวเนี่ยหัวหน้าคนครัวก็คือมารีกีมา้า กลายเป็นว่าตัวเองเป็นคนอมตะนะยังพูดถึงกันอยู่ทุกวันนี้ในฐานะเป็นเจ้าอะไรละแม่เจ้าแม่ขนมไทยอ่ะมาจนทุกวันนี้นี่ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเราเนะเรามีขนมฝรั่งโปรตุเกสอยู่ที่กดีจีนมีป้อมวิเชยเยนวิช อ, อป้อมวิชายประเสริฐ ท, ที่เดอฟ้าสู้กัน ในพลเดอร์ฟาสพอออกจากเมืองไทยจะไปยุโรปมันจะต้องไปแวะที่แอฟริกาที่แหลมกูลโฮปไปป่วยตายที่แหลมกูนโฮปไม่ทันได้ใช้เงินของมารีกี่มาเงินก็ไม่รู้ไปไหนเนาไม่รู้สรุปแล้วเรื่องต่างๆเมื่อสามร้อยห้าสิบหกสิบปีเนี่ยยิงกันตุมตามอยู่ใกล้วัดประยุทธ์นี่แหละ บางคนอาจจะโดนลูกหลงเลยต้องมาเกิดอยู่แถวนี้เนเะส็งอยู่แถวนี้บ้างเกิดอยู่แถวนี้บ้างวนมาลอยกระทงวัดประยูนบ้างนะก็เล่าสู่กันฟังเพียงแค่นี้นะเอาละต่อจากนี้ไปเราก็จะได้ทำพิธีลอยกระทงด้วยวัตถุประสงค์5ประการถ้าเป็นศาสนาอื่นก็ไหว้พระเจ้าของตนเช่นศาสนาพราหมณ์ เป็นพุทธศาสนาก็าไหวพระเจดีย์จุฬามณีซึ่งเป็นวัดประยูนไปนแล้วเจดีย์วัดประยูนเนพระบรมสารีริกธาตุบูชาลอยพระบาทที่แม่น้ำนำมาถาลอยเคราะหลอยบาปลอยโชคร้ายให้เทียนมันเผาไหมไปหรือขอขมาแม่น้ำคงคาหรือ อาทิษฐานเสียงทายขอความสุขความสำเร็จอะไรก็ได้ในวันนี้ร่วมกันฉะนั้นเมื่อมาแล้วก็อยากจะให้ได้สาระในเรื่องที่เราทำเพื่อเล่าให้ลูกหลานฟังต่อไปนะและจะได้ไม่ไปพูดกันเพิดเิดว่าลอยกระทงเป็นพิธีของาศาสนาฮินดูในวิกิพีเดียนะ่ขึ้นหลายอยู่ทุกวันนี้ไปบอกหน่อยให้เขาลบเสียจเามันคนมันล่อ ก, กันไป ก็เดือดร้อนพระพรมบัณฑิตต้องมาอธิบายจนปากเปียกปากแฉะนะให้เข้าใจตรงกันทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นเทศการของไทยพมา่าก็ไม่ใช่อินเดียยิ่งไม่ใช่บางท่านบอกอินเดียก็ทำไม่ใช่อินเดียเขามีพิธีจุดเทียนในช่วงใกล้ๆ ก, กับเราเนี่ยเขาเรียก ดิวาลีลีลอลิงนะดิวาลีหรือทีปาวาลีวาลีวาลีแปลว่าสายสายไฟอ่ะสายประทีปนะมไม่ใช่สายสายประทีปที่ลอยในแม่น้ำนะเขาจุดเทียนเนี่ยดูหน้าบ้านเต็ไมไปหมดเลยเทียนทูบไฟเล่นประทัดกันห้าวันนะและไม่ใช่ช่วงนี้หรอกเอาช่วงไหน ช่วงพระรามกลับกรุงอยุธยาที่พระรามเดินดงอะนะลบข่าทศกัณฐ์เสร็จกลับวันไหนวันนั้นแหละเมืองชาวบ้านเขาฉลองต้อนรับพระรามจุดไฟต้อนรับเขาเรียกดีวาลีแล้วคนไทยก็ไม่รู้อีกบอกเนี่ยลอยกระทงเราไปเอามาจากดีวาลีโอไม่เคยไปอินเดียจริงนี่ก็พูดไว้ตรงนี้อีกบางคนบอกเอามาจากจีนนะแลนเทนเฟสติวัล เขาเรียกว่าพิธีจุดโคมของจีนอาตมานี่ไปเห็นมาแล้วนะโอ้ย้อยโคมกันนะแต่ขอโทษเขาไม่ได้ทำวันเพ็ญเดือนสิบสองเขาทำเดือนกุมภาโน่นตุดจีนก็ไม่เกี่ยวกับรอยกระทงเลยสรุปแล้วเมดินไทยแลนด์เนี่ยคือรอยกระทงนี่แหละและเราก็มาเพิ่มคุณค่าทางศาสนาทางวัฒนธรรมที่ดีงาม ต้องถนอมรักษาเอาไว้มิฉะนั้นเราก็จะหลงลืมคุณค่าแล้วก็เลิกหายกันไปอะไรที่เป็นไทยๆ ท, ที่เป็นพิธีแบบไทยๆเนี่ยต้องเชิดชูยกย่องว่าเป็นนวัตกรรมของไทยทํากันให้มากและพวกเราก็ควรจะาภาคภูมิใจที่เรามาช่วยกันส่งเสริมนวัตกรรมของบรรพบุรุษของเราคือลอยกระทงและมาทํากันในวันนี้และอิงเข้ากับหลักพุทนาดังที่กล่าวมา พอสมควรแก่เวลาก็ขอนโมทนาทุกท่านในท้ายที่สุดนี้ขออำนาจแห่งคุณพระศีรัตนาตรายอานุภาพของพระบรมสารีริกธาตุบนพระบรมธาตุมหาเจดียหลวงพ่อพุทธนาการศักดิ์สิทธิ์ในพระวิหารและหลวงพ่อพระพุทธธรรมวิเชตสาสนาในอุโบสถจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัย อำนวยอวยพรเนื่องในวันลอยกระทงให้ทุกท่านพ้นทุ ก, พ, กพ้นโศกพ้นโรคพ้นภยัยประสบแต่โชคชัยชนะความสําเร็จที่อธิษฐานตั้งจิตมุ่งหวังโดยทุกประการเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยลาบยศสุขสรนเสริญมีอายุวรณนนะสุขะพระปฏิพานธรรมาสารสมบัติธนาสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ธรรม ก็ขอให้ความปรารถนานั้ น, นั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกรูปทุกท่านทุกคนตลอดกาลและนานเทินสาธุสาธุสาธ